โยมจึงขอถามพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าชื่ออะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรเพื่อนพมจันทร์ทั้งหลายเรียกอัตมาภาพว่านาคเสนส่วนมารดาบิดาเรียกอัตมาภาพว่านาคเสนก็มีวิระเสนก็มีสุระเสนก็มีสีหเสนก็มี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 มโนธาตุเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นน้าคเสณไม่ใช่มหาภพิธถ้าอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นน้าคเสณไม่ใช่มหาภพิธถ้าอย่างนั้นสิ่งที่นอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขาร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 มหาพิฏฐมีพระหฤทัยดุร้ายได้ตัดพระวาจาดุร้ายมหาพิฏฐคงได้สเสวยทุกขเวทนาแรงกล้าอัตมาจึงขอถามว่ามหาพิฏฐเสด็จมาด้วยพระบาทหรือด้วยราชพหนะอย่างไรพระเจา้ามลินจึงตัดตอบว่าข้าแต่พระนาคเซนยมไม่ได้มาด้วยเท้าโยมมาด้วยรถต่างหาก พระนาคเซนเทระจึงกล่าวประกาศขึ้นว่าขอพวกโยนกทั้งห้าร้อกับพระภิกษุ8ปดหม0่นองนี้จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคือพระเจ้ามิรินนี้ได้ตัดบอกว่าสเสด็จมาด้วยรถข้าพเจ้าจะขอถามพระเจ้ามิรินต่อไปกล่าวดังนี้แล้วจึงถามว่ามหาปพิธตัดว่าสเสด็จมาด้วยรถ